สี 45, า่าพษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสันมวลสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริณายกพระยาศ์ ในกรุงพาราณสีนั้นได้มีกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นบุตรเศรษฐีชื่อยัสะมารดาบิดาหวงแหนรักษาเป็นอย่างดีจนถึงสร้างปราสาทให้อยู่ในสามฤ ด, ดูในคืนวันหนึ่งยะสะัสส์กุลบุตรนั้นได้รับความบำเรือให้เป็นสุขด้วยดนตรีต่างๆบนปราสาทที่มีแต่สตรีล้วนได้หลับไปก่อนสตรีทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บำเรอหลับภายหลังแต่ยะะัะกุลบุตร ได้ตื่นขึ้นก่อนและได้เห็นอาการต่างๆของสตรีผู้นอนหลับก็มีความเบื่อหน่ายจนถึงอุทานขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องแล้วก็ลงจากปราศาสเดินไปออกประตูเมืองพารณาณสีตรงไปยังป่าอิสิป ต, ตนะมฤุกษัยวันแล้วก็เดินบนไปอย่างนั้นในขณะนั้นพระพุทธเจ้ากําลังเสด็จเดินจงกรมอยู่ทรงได้ยินเสียงแยกษาสอุระบุตรผลไปอย่างนั้น ตรัสขึ้นว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวาย ย, ายัสส์กุลระบุตรได้ฟังก็มีความยินดีว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายก็นั่งลงพระพุทธเจ้าก็ตรัสอนุปุภาภิกขะาและอริ ย, ยสัจสีจบแล้ว ย, ยัสากุลระบุตรเกิดดวงตาเห็นธรรมครั้นสว่างขึ้นมารดาของยสสกุลบุตรได้ขึ้นไปบนปราสาท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 ยะสกษกุลบุตรก็ได้ฟังทบทวนไปด้วยก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้มองเห็นยะสกษ์กุลบุตรจึงกล่าวขึ้นชักชวนให้กลับไปบ้านอ้างว่ามารดากําลังคร่องครวญถึงเป็นอย่างยิ่งขอให้ขอให้ชีวิตแก่มารดาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายักษกุลบุตรเป็นผู้มีจิตสิ้นอาสะวะกิเลสแล้วไม่ควรที่จะกลับไปเป็นครหัดอีก เศรษฐีผู้บิดาจึงอรุโมทนาและได้นิมนต์พระพุทธเจ้าก่อให้ยศศาสุลบุตรเป็นปัจฉาสมณัตเข้าไปฉันในเรือนของตนยศศาสุลบุตรได้ทูลขอบรรบชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปฉันในเรือนของเศรษฐีมีพระยศซึ่งอุปสมบทใหม่เป็นปัจฉาสมณะและได้เทศนาโปรดมารดาของพระยศรรยกับปุรานะ พุทิิกาซึ่งแปลว่าสรตรีผู้เป็นที่สองคนเก่าหมายถึงภรรญาซึ่งกลายเป็นคนเก่าไปแล้วได้ให้ดวงตาเห็นธรรมด้วยอนุปุภพภะภิกถาและอริยสัพสีเช่นเดียวกันสตรีทั้งสองนั้นได้แสดงตนเป็นอุบาสิกาพูดถึงรัตนาสามเป็นสัรณะตลอดชีวิตนับว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงรัตนาสามเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนา ต่อมาก็มีสหายของพระยศอีกสี่คนซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีที่เสบสกุลกันมาโดยลำดับได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ฟังอรูปุพะพีกถาและอริยสัจสี่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ทูลขออุปสมบทได้อุปสมบทโดยเอหิตพิคุอุปสัมปทาต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุสาสั่งสอนจนจิตพ้นจากอาสวะเป็นพระอรหันขึ้นรวมเป็นพระอรหรัน สิบเอ็ดองในโลกต่อมาสหายชาวชนบทของพระยศอีกห้าสิบคนได้ข่าวเข้าใจว่าธรรมวินัยที่พระยศออกบวชนั้นจะไม่เป็นของต่ําำรามการบวชของพระยศก็คงไม่เป็นของต่ําำรามจึงได้พากันมาพระยศได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุ ป, ปุปพระพิกถาและอรยิยสัจสี่จนสหายห้าสิบคนนั้นได้ดวงตาเห็นธรรม คุณขออุปสมบทได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาต่อมาเมื่อได้ฟังพุทธโอวาทที่ทรงอนุสาสสอนอบรมก็มีจิตพ้นจากอาสวะเป็นพระอรหันต์ขึ้นรวมเป็นพระอรหันต์องค์ในโลกนับว่ามีจำนวนมากพอสมควรพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดำรัสด้วยความว่าเราผู้ตถาคตเป็นผู้พ้นจากบ่วง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 แต่ว่าสองรูปอย่าไปโดยทางอันเดียวกันคือให้ไปทางละหนึ่งรูปแยกกันไปจงแสดงธรรมที่มีความไพร่ในเบื้องต้นไพร่ในท่ามกลางไพร่ในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐคือเนื้อความพร้อมทั้งพยียญชนะคือถ้อยคําประกาศประมาจรรมันคือพระศาสนาที่บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลาย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 ในสมัยนั้นภิกษุที่แยกย้ายกันไปประกาศพระาศาสนาได้ไปในทิศทางต่างๆกันในชนบทต่างๆกันเมื่อมีใครต้องการบ ร, รมบชาอุปสมบทก็ต้องนํามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าประธานบรรบชาอุปสมบทเป็นความลําบากฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารบถึงความลําบากในข้อนี้ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นผู้บ ร, รมบชาอุปสมบทเองได้ ด้วยได้ตรัสอนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะบำมชาอุปสมบทปรงผมและหนวดก่อนมุ่งผมผ้ากาสายะคือผ้าย้อมน้ำฝาดทำผ้าเฉวียงบาดทางหนึ่งไหว้เท้าพิสุกทางหลายนั่งกระยงประคองอัญชลีแล้วนำให้ปราววาจาถุนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สาม ก็เป็นอันอุปสมบทเป็นพิกษุได้ด้วยพิธีเพียงเท่านั้นวิธีนี้เรียกว่าติสนนคมนอุปสำปทาอุนุปผะพิกระาเรานี้จะอธิบายอุนุปผะพิกราและอริยรรสัจสีซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสอนแก่ยักษะพุรบุตรเป็นต้นคําว่าอุนุปผะพิกราแปลว่า ถ้อยคำที่กล่าวโดยลาดับตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปมีหคือทานกถาถ้อยคําที่พรนนาท า, านศีลกถาถ้อยคําที่พรนานาศีนสักกกถาถ้อยคําที่พรันานาสวรรค์กามาธีนะวะกถาถ้อยคําที่พรนานาอาทีนะพระคือโทษของกามเนกาคัมมานิสังสกถาถ้อยคําที่พรนานาอนิสงของเนกาคัมมะ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 ปกติใจไม่ถูกกิเลสดึงไปให้ประพฤติทุจริตต่างๆฉะนั้นจึงต้องมีวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วนั้นๆจึงจับเป็นศีลศีลในพระพุทธศาสนานั้นอย่างตามก็คือศีลห้าได้แก่เจตนางดเว้นจากภัยหรือเวณห้าประการฉะนั้นศีลจึงเท่ากับเป็นความไม่มีเวณไม่มีภยัยเมื่อรักษาศีล ก็เท่ากับว่าทำอภัยทานคือให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายและตัวผู้มีศีลเองก็เป็นผู้ที่ไม่ก่อภัยก่อเวรขึ้นแก่ตัวเองด้วยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงศีลนี้เป็นข้อที่สองต่อจากนั้นก็ทรงแสดงสวรรค์คำว่าสวรรค์ก็ออกมาจากสับบาลีว่าสักขะแปลว่าที่เป็นที่ข้องเป็นที่ติดก็ได้ ที่เป็นที่มีอารมณ์อันเลิศก็ได้ตามที่เข้าใจกันสวรรค์เป็นโลกอีกส่วนหนึ่งซึ่งบุคคลผู้ทําความดีจะพึงเข้าถึงในเวลาที่สิ้นชีวิตไปจากโลกนี้แล้วและในคัมภีร์ก็แสดงสวรรค์ไม่มากเช่นสวรรค์กา ม, มาพรจรที่แปลว่าชั้นที่ยังยังลงในกามหกชั้นแต่สวรรค์ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่มีแสดงไว้ในตําราเก่าก่อนพระพุทธศาสนา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 ในที่ใดมีรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่จะพึงเห็นได้ด้วยตาที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นรูปในที่ใดมีเสียง dynamics, ที่น่ารักใกล้ปรารถนาพอใจที่จะพึงได้ยินได้ด้วยหูที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นเสียงในที่ใดมีกลิ่นที่น่ารักใคร้ปรารถนาพอใจที่จะพึงสูดได้ด้วยจมูกที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้น ผัสสะยตนะชั้นขานะในที่ใดมีรถที่น่ารักใกล้ปรารถนาพอใจที่จะพึงลิ้มได้ด้วยลิ้นที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสะยตนะชั้นชิวหาในที่ใดมีโผทพะคือสิ่งที่กายถูกต้องที่น่ารักใกล้ปรารถนาพอใจที่จะพึงกระทบถูกได้ด้วยกายที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสะยตนะชั้นกายในที่ใดมีธรรมคือเรื่องราวต่างๆ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 หมายถึงกิเลสในใจก็ได้แต่ว่าโดยปกติเมื่อกราวอย่างสามัญคำว่ากามเป็นชื่อของวัตถุภายนอกเพราะเป็นที่ใกล้ที่ปรารถนาที่พอใจของบุคคลทั่วไปสวรรค์แม้จะมีอารมณ์อันเลิศสักเท่าไหร่ก็ยังเป็นกามคือเป็นที่น่าใกล้น่าปรารถนาน่าพอใจและเป็นสิ่งที่ต้องมีความแป ร, รปรวนเปลี่ยนแปลงไปมีเกิดมีดับ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 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงยกขึ้นโดยเป็นอนิสงค์ของเนคขมมะเป็นข้อที่ห้าเมื่อได้ทรงแสดงอุณุ ป, ปุพะพิกถาทั้งห้าประการนี้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าผู้ฟังมีจิตแช่มชื่นผ่องใสปราศจากนิวรณ์คือกิเลสเครื่องกั้นจิตมีจิตบริสุทธิผ่องใสสมควรที่จะรับพระธรรมที่สูงขึ้นไปเหมือนอย่างผ้าที่ซักให้สะอาดปราศจากมลทินต่างๆ ควรที่จะรับน้ำยอมได้แล้วจึงได้ทรงแสดงอริยสัจส์่คือทรงชี้ทุกข์ชี้สมุ ท, ทัยเหตุให้เกิดทุกข์ชี้นิโรธความดับทุกข์ชี้มักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยในดังในปฐมเทศนานั้นอริยสัจสีนี้เรียกว่าสามุ ก, กังสิกธรรมเทศนาคือเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเอง เพราะได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยปกติเมื่อได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจสีแล้วผู้ฟังก็เกิดดวงตาเห็นธรรมที่ท่านแสดงว่าได้เป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่นี้ตามประวัติในพระพุทธศาสนาปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่มนุษย์ซึ่งเป็นคาเรหัต